ข้าวต้มนี้เธอได้มาจากไหนพระหลวงตานั้นจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมคะบุรุษการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลย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 ไม่พึงชักชวนทายกในสิ่งไม่ควรรูปใดชักชวนต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุผู้เคยเป็นช่างกระระบบไม่พึงเก็บรักษาเครื่องมือตัดผมรูปใดเก็บรักษาไว้ต้องอาบัตทุกกฎ